กวันชีวิตของพวกเราจะมีความสะดวกสบายมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนี้หลายคนแทบจะไม่ได้เดินละแต่ก่อนไอ้ต้องเดินไปขึ้นรถเมล์เดินไปทำงานนะแต่เดี๋ยวนี้นะมีรถยนต์ขับส่งถึงที่ทำงานจะไปปากซอยก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปขึ้นบันไดก็ไม่ค่อยได้ขึ้นกันละนั่งลิฟต์ ยืนใช้ลิฟต์หรือว่าบันไดเลื่อนแต่ก่อนต้องลงแรงซักผ้าเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องซักผ้าเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนนี่เวลาจะโทรศัพท์ถึงใครยังต้องเดินนะไม่ใช่เดินไปโทรศัพท์สาธารณะแต่เดินไปโทรศัพท์ทีว่วางไว้บนโต๊ะคือโทรศัพท์บ้านแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดินและเพราะว่ามันอยู่ติดตัว อยู่ในกระเป๋าอยู่ตรงไหนก็โทรศัพท์ได้ถึงเพื่อนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกก็ตามแล้วนักบอลก็จะสะดวกสบายมากขึ้นแต่ว่าความทุกข์ของผู้คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ลดลงเท่าไหร่นะกลับจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำนั่นมันก็น่าคิดนะทั้งนั้นที่สะดวกสบายมากขึ้นแต่ว่า ความทุกข์ก็ไม่ได้ลดลงเลยนอกจากความอนุความสดกสบายที่เพิ่มขึ้นแล้วนะสิ่งบันเทิงเรองรงก็มากเดี๋ยวนี้โทรทัศน์ก็มีไม่รู้กี่สิบหรือว่ากี่ร้อยช่องอยากจะดูหนังเรื่องอะไรอยากจะฟังเพลงอะไรก็ไม่ยากเปิด youtube หรือว่าเข้าทางอินเทอร์เน็ตนะก็สามารถจะเข้าถึงเพลงทั่วโลกหรือว่าหนังที่ มีเป็นหมื่นเป็นแสนเรื่องได้เวลาไหนก็ได้ทั้งนั้นแต่ทำไมคนก็ยังมีความทุกข์อยู่แน่นอนมันไม่ใช่ความทุกข์กายนะความทุกข์กายลดลงแต่ว่าความทุกข์ใจไม่ได้ลดลงเลยนะกลับเพิ่มมากขึ้นแล้วความทุกข์ใจนี่มันมาจากไหนนะส่วนหนึ่งก็มาจากความคิดปรุงแต่งคนสมัยนี้เนี่ย คิดเก่งคิดไวไอ้ความคิดที่เก่งแล้วก็รวดเร็วช็อปไวนี่ก็มันก็ทำให้เกิดการคิดค้นต่างๆมากมายซึ่งนําความสะดวกสบายมาให้นําความสนุกสนานมาให้กับพวกเราแต่ในเวลาเดียวกันไอ้ความคิดเก่งคิดเร็วคิดไวนี่แหละ มันก็นำความทุกข์มาให้กับเราได้ไม่น้อยเลยทีเดียวลองคิดดูนะสมัยนี้เนี่ยคนเราเนี่ยทุกเพราะความคิดมากเลยกายนี่สบายอยู่ในรถติดแอร์อยู่ในห้องนะที่เย็นสบายแต่จิตใจนี่กับรุ่มร้อน รุมร้อนเพราะอะไรนะรุมร้อนเพราะคิดถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วเหตุการณ์ในอดีตความพัดพรา่าความสูญเสียงานการที่มีอุปสรรคหรือว่าคำต่อว่าด่าทอที่ยังเวลานึกทีไยก็รู้สึกเจ็บใจหรือว่าเจ็บแค้นเงินหาย ก็ยังนะคิดถึงทีไรก็เสียดายเสียใจนะทรัพย์สินที่ถูกโกงผ่านไปสิบปีนะก็ยังไม่หายทุกขนะ์ปัจจุบันก็สบายดีอยู่แล้วนะแต่ว่าทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะมันหวนนึกถึงอดีตหรือไม่ก็ไปนึกถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงไปตรวจสุขภาพ เพราะว่ า, าไปคลำเจอก้อนเล็กๆนะที่หน้าอกหมอก็นัดให้มารับผลในอีกสองสามวันข้างหน้าระหว่างที่รอรับรับผลนี่แหละนะโอ้หลายคนนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับเนะพราะอะไรเพราะคิดว่าตัวจะเป็นโรคร้ายหรือเปล่า เป็นมะเร็งไหมบางคนก็เป็นห่วงนะลูกเรื่องการเรียนสอบเข้าหมาหาวิทยาลัยได้หรือยังนะกังวลว่าจะมีนะเงินจ่ายนีนะ่สิ้นเดือนนี้ไหมผ่อนลบผ่อนบ้านกางวนกลุ่มใจเนือค่าตัวตายนะทางนางที่ ก็ยังมีบ้านอยู่มีอาหารกินครบสามมือ้อแล้วก็อร่อยด้วยแต่พอนึกถึงว่าบ้านจะต้องถูกยึดนะรถก็จะถูกยึดหรือว่านึกไปว่าเนี่ยธุรกิจกาลังจะล้มละลายคิดปรุงแต่งสารพัดโดยลวแต่เป็นเรื่องเที่ยงมาไม่ถึงทั้งนั้น แต่ว่าก็ทุกข์แล้วหรือพอเราจะคิดถึงงานที่ยังคาอยู่หลายชิ้นนะคิดถึงแล้วก็หนักอกหนักใจนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ในรีสอร์ตนะอยู่ริมทะเลแทนที่จะสบายใจก็กลับทุกข์นะเพราะนะไม่นึกถึงสิ่งที่รออยู่ข้างหน้า หลังจากที่สิ่งที่ต้องทาเมื่ อ, อท่องเที่ยวเสร็จหรือว่ามันหมดเทศกาลวันหยุดนะต้องไปเจออะไรบ้างข้างหน้านี่ก็ทุกแล้วอันนี้เรียกว่าทุกเพราะความคิดนะทุกเพราะความคิดทุกเพราะใจนี่ไปอยู่กับอดีตบ้างหลายไปลอยไปอนาคตบ้าง พอไหลไปอดีตไหลไปอนาคตมันก็จะเกิดหลุมอารมณ์ขึ้นก็จงเข้าไปในหลุมนั้นหลุมแห่งความเศร้าความเสียใจความขุ่นเคืองหรือว่าความวิตกกังวลสิ่งที่ไม่ใช่อดีตหรืออนาคตนะสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันก็ทําให้เราทุกข์ได้นะ แต่ที่ทุกเนี่ยไม่ใช่เพราะสิ่งนั้นโดยตัวมันเองนะแต่ว่าทุกเพราะว่าเราไปไปยึดติดนะกับสิ่งนั้นหรือว่าไปวางใจไม่ถูกต้องกับสิ่งนั้นเช่นความรู้สึกผลักไสนะความไม่ชอบนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องความคิดเหมือนกันคือมีความรู้สึกลบกับเสียงนั้นกับสิ่งนั้น ก็เกิดมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาในศาลานี้เนี่ยหลายคนก็จะหนุดหงิดขึ้นมาทันทีไม่ใช่เพราะเสียงนะแต่เพเพราะเราไปคิดว่ามันไม่น่าจะดังในขณะนี้ทันทีที่คิดว่ามันไม่น่าจะดังในขณะนี้เนี่ยนะความรู้สึกลบต่อเสียงนั้นก็เกิดขึ้นทันที แถ้าเสียงนันยังดังต่อไปนะก็จะงุดยงิดรำคาญใจบางทีก็นึกต่อว่าเนะจ้าของโทรศัพท์มาทำไมไม่ยอมปิดเครื่องแต่ถ้าแต่เสียงเดียวกันนี้แหละนะเสียงริงโทนถ้ามันดังในอีกเวลาหนึง่งเช่ขนขณะที่เรากำลังคอยเพื่อนอยู่นะนัดเพื่อนไว้ เพื่อนยังไม่มาพอเสียงเดียวกันนี้ดังเสียงโทรศัพท์ดังนี่เราก็ดีใจจะได้รู้ข่าวข่าวของเพื่อนว่าอยู่ไหนแล้วถึงไหนแล้วนะเรือจะดีใจเพราะว่าจะได้ข่าวข่าวจากลูกจากพ่อแม่เสียงเดียวกันแต่ว่าเสียงบางครั้งให้ความรู้สึกทุกข์ไม่พอใจแต่บางครั้งให้ความ รู้สึกดีใจกับเรานะมันเป็นเพราะอะไรนะก็เป็นเพราะการให้ค่าหรือว่าความคิดของเรานะเราคิดกับมันอย่างไรเราให้ค่ามันอย่างไรนะเราให้ค่าไปในทางบวกนะเราก็มีความสุขที่ได้ยินได้สัมผัสเราให้ค่ามันในทางลบหรือเรารู้สึกลบกับมัน พอได้ยินเราก็ทุกข์นะเสียงไม่ได้ทำให้เราทุกข์นะแต่ว่าความคิดของเราต่างหากนะความรู้สึกของเราต่างหากนะที่มีต่อเสียงนั้นคนเราทุกข์เนี่ยเพราะความคิดไนะหลไปอดีตไหลไปอนาคตหรือว่าความคิดปรุงแต่ง ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะถ้าปล่อยให้มันปรุงแต่งไปเรื่อยเปื่อยนี่ก็ทำให้เราบางทีถึงกับเจ็บไข้ได้ป่วยเลยนะอาจารย์ประเวเคยเล่าว่ามีสมัยที่ยังทำงานที่สิริราชกนะ็มีคนไข้คนหนึ่งนอนเปลมามาให้อาจารย์ตรวจ คนไข้คนนั้เป็นผู้ชายวัยกลางคนตัวซีดไม่มีแรงไม่มีแรงแม้แต่เดินมาหาหมอต้องนอนเปลมาอาจารย์พระเวชนะก็เป็นหมอด้านโลหิตเจอคนไข้แบบนี้ก็สักถามอาการคุยกับคนไข้สักพักก็หันไปคุยกับแพทย์ประจำบ้านว่า คนไข้คนนี้ไม่เป็นอะไรมากนะที่ตัวสซีดเพราะว่าเราหิต จ, จางเนื่องจากมีพญาธิปากขอนะเดี๋ยวให้กินธาตุเหล็กก็จะหายวันหายคืนพูดเปแค่นี้เนี่ยพอหันกลับไปที่คนไข้บอกว่าคนไข้นี้ลุกขึ้นยืนได้เลยเราก็บอกว่าหมอถ้ามันหายง่ายแบบนี้ผมก็ไม่ต้องใช้เปนีแล้วล่ะลาก เ, ล เ, าเข็นเปลไปเลยเรีแรงกลับมาทันที ทำไมถึงเรี่ยวแรงกลับมาทันทีก็เพราะรั่าไม่ได้เป็นอะไรมากก็แค่มีพิยุปากขออ่าแล้วทําไมก่อนหน้านี้ถึงไม่มีแรงนะก็เพราะไม่ได้ไม่รั่วตัวเองมีพิรุปากขอไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นแค่นี้นะแต่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนักกว่านี้คือคงจะปรุงแต่งว่าตัวเองเป็นมะเร็งมั้งหรือว่าเป็นโรคตับหรือเปล่านะอันนี้เรียกว่า ปรุงแต่งหรือโมโนนะสมัยนี้เรียกว่าโมโนแล้วความโมโนนี่แหละก็ทำให้ทุกข์มากนะมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่คนเราทุกข์เพราะความคิดกันมากทีเดียวนะอย่างที่บอกไว้แล้วความคิดมีประโยชน์นะแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้คิดเลยเปื่อยไปนะมันก็สามารถจะนำความทุกข์มาให้กับเราได้ ที่จริงมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะที่จะมโนโหรือจะปรุงแต่งสิ่งสาคัญน่าจะอยู่ที่ว่าเรารู้ทันมาหรือเปล่านะถ้าเรารู้ทันความคิดนะมันก็ไม่ปรุงแต่งตเตลิดเปิดเปลืองไปไม่พาจิตใจของเราเข้ารลกเข้าพงหรือว่าเข้าไปในกองไฟให้ไฟโทสระแผดเผา แต่เราก็ม่กจะปล่อยให้ใจของเราตกละกลัมลาบากแบบนั้นก็เพราะความคิดที่ที่ปรุงแต่งเรื่อยเปื่อยอาจาเป็นอย่างมากนะที่เราจะเป็นที่เราจะต้องมีความรู้เท่าทันนะในความคิดที่มันเกิดขึ้นแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องโดยเพราะความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดนะ ซึ่งเกิดจากความเผลอนะความลืมตัวบางทีเราก็รู้นะว่าคิดไปมันก็ทุกข์แต่ว่าหยุดคิดไม่ได้เวลานอนเนี่ยเราก็อยากจะนอนให้หลับแต่มันไม่ยอมหยุดคิดหยุดฟุ้งซ่านสักทีเพราะอะไรนะเพราะเราไม่รู้ทันมัน ถ้เรารู้ทันความคิดนะเราก็จะไม่หลงเชื่อความคิดง่ายๆเราก็จะไม่ปล่อยให้มันลากจิตใจของเราให้ไปตกหลกกรรมลำบากหรือว่าถูรูดถูกกังนะความคิดเนี่ยมันเป็นบ่าวที่ดีนะแต่มันเป็นนายที่เลวนะไม่ใช่แค่เงินเท่านนะั้นที่เป็นบ่าวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวนะไอความคิดด้วยเหมือนกันความคิดนี้ถ้าเราใช้มันนี่มันก็พาเรานะ พบกับความสุขความเจริญถ้าเราใช้ความคิดให้เป็นนะเป็นมะเร็งก็ยังก็ยังยิ้มได้เป็นมะเร็งก็ยังนอนหลับได้แต่ใช้ความคิดไม่เป็นแค่เป็นสิวเท่านั้นแหละนะก็กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วเราจะเป็นนายความคิดได้อย่างไรทำอย่างไรจะไม่ให้ความคิด มาเป็นนายเรามาครอบงำกากับเรานะสติเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสติช่วยทำให้เรารู้ทันความคิดนะรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นไนอะ้ความคิดกับอารมณ์นี่มันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยกันนะพอคิดแล้วก็ทำให้เกิดอารมณ์นึกถึงคำต่อว่าด่าทอของเพื่อน ความวิจารณ์ของเขาก็โกรธขึ้นมานึกถึงเงินที่หายก็ยังเสียใจเสียดายนึกถึงคนที่พัดพากจากเราไปก็เกิดความอาละอาวรความคิดกับอารมณ์นี่มันมันไปด้วยกันคิดบางเรื่องก็ทำให้ดีใจแต่คิดบางเรื่องก็ทำให้โกรธแล้วพอโกรธแล้วมันก็ยิ่งไปคิดเรื่องนั้นขุดคุ้ย เรื่องอะไรต่ออะไรตามมาอีกมากมายอารมณ์ก็ปรุงแต่งความคิดความคิดก็ไปปรุงแต่งอารมณ์แต่ว่ากระบวนการอย่างแบบนี้วัฏจักรแบบนี้เนี่ยมันจะขาดต่อลงถ้าเรามีสติรู้ทันสตินี่มาทำให้เรารู้ใจตัวเองหลายคนนี่อยากจะรู้ใจคนอื่นหรือว่าอยากจะให้คนอื่นมารู้ใจตัวเองอยากจะให้อยากจะได้แฟนที่รู้ใจตัวเองอยากจะได้ลูกน้องที่รู้ใจเรา หรือแม่ก็อยากจะไปรู้ใจคนอื่นนะอยากจะรู้ว่าตอนนี้เขาคิดอะไรแต่ว่าที่มักจะมองข้ามคือรู้ใจตัวเองให้รู้ใจคนอื่นก็ไม่ได้ทําให้เราหายทุกนะแล้วคนที่มารู้ใจเราก็ไม่รู้ว่มันมีหรือเปล่าในโลกนี้ถึงมีก็เอาแน่เอาน้อยไม่ได้ บางครั้งแม้จะรู้ใจเราแต่ว่าก็ยังทําตัวไม่ถูกใจเราก็มีแต่ถ้าเรารู้ใจตัวเองนะโดยพราะรู้ทันความคิดของเรามันก็ทําให้ความคิดนั้นเนี่ยไม่สามารถจะครอมงมกำกากับเราหรือพาเราเข้ารถเข้าพงได้เพอสันทีที่เรารู้มันก็จะวางรู้ทันความคิดก็จะวาง แล้วก็ทำให้จิตเราเนี่ยนะกลับมาสู่ปัจจุบันคนที่คิดเก่งเนี่ยนะก็เหมือนกับรถที่มีกำลังแรงนะหลายแรงมา้าเครื่องยนต์นะหลายพันซีซีซเร็วแรงแต่รถที่เร็วและแรงเนี่ยมันจะไม่น่าขับถ้าหากว่ามันไม่มีเบรก ไม่น่าขับไม่น่านั่งเลยถ้ามันมีเบรกถ้าไม่มีเบรกจะเร็วจะแรงจะยี่ห้อแพงแค่ไหนนะจะเป็นเบนท BM หรือว่ารถสปอร์ตนะแต่ถ้าไม่มีเบรกักอย่างนี้ก็ไม่มีราคาไม่มีใครอยากจะนั่งอยากจะขับใจเรานะอาจจะเป็นเหมือนกับรถแบบนี้ก็ได้นะคือเร็วแรง แต่ไม่มีเบรกคิดเก่งนะแต่ว่าไม่สามารถจะหยุดคิดได้คือไม่สามารถจะกำกับความคิดให้เป็นไปาตามที่ต้องการได้ความคิดนี้ถ้าเรากำกับมันนะมันให้เกิดมันเกิดประโยชน์มหาศาลเลยอย่าง น, น้อยๆก็ทำให้เรามีสมาธิกับการทางานนะไอ้ที่ไม่มีสมาธิกับการทางานเพราะว่าความคิดมันมันไม่ยอมอยู่นิ่งนะมัน มันไหลเรื่อยเปลื่ยวกวักจะจับให้มันอยู่นิ่งให้มีสมาธิกับเรื่องอะไรก็ไม่ได้เพราะมันคิดไปเรื่อยแต่ถ้าเรามีสตินะั้นเราก็สามารถจะกํากับจิตกํากับความคิดนั้นเนี่ยหรือกํากับจิตให้มาอยู่กับสิ่งที่เราทำทำงานก็ได้ผลเวลาทุกพระความคิดก็รู้ทันแล้วก็วางความคิดได้เวลาโกรธนะ หรื่าเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นก็ไม่ใช่หลงเชื่อทําตามอารมณ์สังเกตไหมเวลาเราโกโรธนี่นะมันถ้าไม่มีสตินะมันความโกรธมันสั่งให้ดา่าเราก็ดา่าความโศกมันสั่งให้ถีบโทรทัศน์พังสั่งให้ทําลายเข้าของเราก็ทำนะเช่นเดียวความโลภนะถ้ามันสั่งให้เราไปไปโกงเราก็ทําบางทีสั่งให้ไป ทำร้ายเพื่อนหรือว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ทำนะมันก็มีข่าวเนี่ยฆ่าพ่อฆ่าแม่เพราะว่าอยากได้มรดกที่จริงก็ได้อยู่แล้วแต่อยากได้มากกว่าคนอื่นหรืออยากจะพุบหมดเลยความโลภแท้ๆหรือว่าถ้าเกิดมีราคามากเนี่ยมันก็ทำให้นะราคามก็สั่งให้ไปนะชำเราใครต่อใครอย่างเมื่อสองสวันก่อนก็มีข่าวนะ เลนี่หรือหลานไม่รู้นะไปชำเรายายหรือทวดนะผู้ชายอายุยีไม่ถึง20นะไปชำเราข่มขืนนะยายหรือว่ทวดของตัวเองอายุ87มันทํางั้นได้เพราะอะไรนะนะถ้ามีสติไม่ทําหรอกนะแต่ว่าเพราะความลืมตัวและความลืมตัวมาจากไหนก็มาจากนะความราคะหรือตันหา อาจจะผสมกับการกินเหล้าเมายามันก็ทาให้มันสั่งให้ทำแล้วก็ทำหมดนะแม้กระทั่งเรื่องที่ไม่น่าทำหรือที่ไม่เชื่อว่าจะทำได้อันนี้เพราะว่าปล่อยให้อารมณ์นะมันมาเป็นนายแต่ถ้าเราเป็นนายของมันนะเราก็สามารถใช้อารมณ์นั้นเนี่ยให้เกิดประโยชน์ได้ ม, มีคําว่าใช้ตันหาละตันหาอั น, นี้พระเจ้าตรัสนะใช้ตันหาละตันหาตันหานี่ถ้าเราใช้มันนะมันก็สามารถจะทำให้เกิดความสงบเย็นในจิตใจหรือว่าถึงกับหลุดพ้นได้แต่ถ้ามันใช้เราเมื่อไหร่นี้ก็สามารถจะลงอบายนะอารมณ์เนี่ยถ้าเราใช้มันไม่ว่าจะเป็นอารมณ์บวกหรือลบนี่ก็สามารถจะ ทำให้เกิดการสร้างสารรค์ขึ้นมาได้หรือว่าจะเลยงอกงามในทางธรรมก็ได้พระอารหันต์หลายท่านนี่ท่านบรรลุธรรมได้ก็เพราะมีตัณหาแล้วก็มีมารณ์เป็นตัวผลักดันแต่ว่าเป็นการผลักดันในช่วงแรกๆนะอย่างลูกชายอนาถปิฎกเศรษฐีเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้ก็เพราะไปฟังธรรมจากผู้เจ้า แล้วที่ไปฟังธรรมครั้งแรกก็เพราะว่าพ่อจ้างตัวเองไม่สนใจหรอกนะธรรมะแต่ว่าพ่อคือนาถบินทิกะจ้างให้ไปฟังธรรมก็ไปนะแต่ว่าตอนหลังขณะไปฟังธรรมแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจฟังนะเพียงแค่ได้ชื่อว่าไปฟังกลับมาก็ขอแบมือขอเงินพ่อพ่อก็ให้นะแล้วก็บอกว่าทีหลังให้มาบอกได้ว่าฟัง ได้ความว่าอย่างไรบ้างถ้ามารายงานถูกก็จะให้เงินให้ความอยากได้เงินทาให้ตั้งใจฟังพอตั้งใจฟังนะทีแรกก็เพราะตันหาอยากได้เงินแต่ฟังไปฟังไปนะก็เกิดสมาธิแล้วก็เกิดความเข้าใจธรรมะเกิดปัญญาขึ้นมากลับมาเล่าว่าได้ฟังธรรมว่าอะไรบ้างพ่อก็จะให้เงินตามที่สัญญาแต่ตอนนี้ลูปบอกไม่เอาแล้ว เพราะว่าได้สิ่งที่ประเสริฐกว่าอันนี้ก็เรียกว่าบรรลุ ธ, ธรรมเพราะนันทานะคือความโลภอยากได้เงินอย่างพระนันทา น, นี้ก็อยากจะเจอเทวดาเจอเทพธิดานะอยากจะได้เทพธิดาซึ่งสวยกว่าคู่มั่นของตัวก็เลยไปปฏิบัติธรรมก็เลยยอมปฏิบัติธรรมยอมอบวช ตามคำแนะนำของพืชเจ้าปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็ถูกคนนินทาว่าเนี่ยรับจ้างบวชรับจ้างปฏิบัตินะอยากได้เทพิดาอยากได้นางฟ้าก็เกิดความอับอายไอ้ความอับอายนี่ก็เรียกว่าเกิดมารนะก็เลยตั้งใจว่าเฮ้ยเราต้องไม่ไม่ไม่ให้เขาดุด่าว่ากล่าวอย่างนั้นไม่ให้เขานินทาอย่างนั้นก็เลยตั้งใจปฏิบัติ ตั้งใจปฏิบัติก็ในสุดก็บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์อันนี้รีกว่าเป็นพ่อมารณะที่แรกพ่อตันหาก็อยากได้นังฟ้าตอนหลังเกิดมานะถูกคนนินทาก็เลยรู้สึกเสียหน้า ก, ก็เลยตั้งใจปฏิบัติความกลัวก็เหมือนกันนะก็ใช้ประโยชน์ได้ถ้าเกิดว่าเรามีสติเราก็สามารถจะกํากับความคิดและอารมณ์ได้แต่ถ้าไม่มีสติแล้วเนี่ยความคิดและอารมณ์ก็กลายเป็นนายเรา แล้มก็พาเราเสียผู้เสียคนหรืออย่างน้อยๆก็ทําให้เราทุกข์เครียดกลุ้มอกกุ้มใจกินไม่ได้นอนไม่หลับให้รู้เถรนะว่านั่นเป็นเพราะว่าไม่รู้ทันความคิดถ้าอยากจะรู้ทันความคิดอย่ามาเป็นให้ความคิดมันเป็นบ่าวของเราเป็นบ่าวที่ซื่อสัตย์ก็ต้องมีสตินะสติช่วยกํากับความคิดความคิดไหนไม่ได้เรื่องก็ทิ้งมันไปสตินี่จะช่วยให้จิตเนี่ยปล่อยวางความคิดนั้น จิตมันลายไปอดีตแล้วทุกสติก็พาจิต ก, กลับมาอยู่กับปัจจุบันจิตมันลอยไปอนาคตแล้วกลุ้ม อ, อกกุ้มใจหนักอกหนักใจสติก็จะพาจิต ก, กลับมาอยู่ที่ปัจจุบันก็จะพบกับความรู้สึกตัวโปร่งเบาจริงสติมันไม่ได้ทำหน้าที่เบรกอย่างเดียวนะมันเป็นคันเร่งด้วยนะสติมไม่ได้ทำหน้าที่เบรกอย่างเดียวจริงๆแล้วเป็นคันเร่งด้วย คนที่ขี้เกียจเนี่ยคนที่ตื่นมาลสุมเศร้าง่วงนอนเนี่ยพอมีสติตปุ๊บเนี่ยมันเกิดความกระตือรือร้นขึ้นมาเลยหรือว่าคนที่คนที่ประมาทเพลินในความสุขไม่เป็นอันทํางานไม่เป็นอันทําความดีพอมีสติตแล้วรู้ถึงความตายขึ้นมาว่าสักวันหนึ่งตัวเองต้องตายมันเกิดความขนไวาย์เกิดความกระตือรือร้นขึ้นมาทันทีตั้งหน้าต่างตาทาความดีนะหรือว่า การงานต่างๆจะหาธรรมะที่มีคุณสมบัติสองแบบพร้อมๆกันนี่หายากนะคือเป็นทั้งเบรกแล้วก็คันเร่งธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยส่วนใหญ่ล้วก็จะมีคุณสมบัติหนักไปทางด้านใดด้านหนึ่งด้านเดียวนะเช่นเช่นศรัทธานี่ก็พาใจน้อมดิ่งไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ว่า อย่างเดียวไม่พอต้องมีปัญญากำกับมีศรัทธามากปัญญาก็ก็อาจจะงมงายได้มีปัญญามากก็อาจจะถือเนื้อถือตัวหรือว่าเป็นพวกแข็งกระด้างรู้มากแต่ว่าทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างเพราะไม่มีศรัทธานั้นศรัทธากับปัญญาต้องคู่กันเช่นเดียวกับความขยันแต่มักจะทาให้ไม่มีสมาธิแต่ถ้ามีสมาธิมากก็ทาให้ความขยัน น้อยลงนั้นวิริยา ก, กัสมาธินี่ต้องคู่กันแต่ว่าสัตแต่ว่าปัแต่ว่าสตินี่นะมันสามารถอยู่ได้โดดๆนะไม่ต้องมีอะไรมากํากับเพราะว่าตัวมันเองนะมันมีทั้งว่ามีความครบเครื่องนะเป็นทั้งตัวเร่งแล้วก็ตัวคันตัวเบรกเวลาที่ทำงานแล้วไม่อยากทำงา น, นก็เร่งให้เราทำ อยากจะเขียนงานแต่ว่าไม่อยากเขียนเบื่อเซ็งท้อเอาสติมันเร่งให้เราต้องใช้ความคิดนะแต่เวลาคิดเรื่อยเปื่อยนะสติมันจะคอยเบรกคอยตบให้ให้ให้คิดเป็นเรื่องเป็นราวหรือว่าให้หยุดคิดนะถ้าถึงเวลาที่จะต้องนอนถ้าถึงเวลาจะพักผ่อนก็หยุดคิดวางความคิดได้สติเนี่ยมันเป็นเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐมากซึ่งมีกับเราอยู่ทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่ค่อยได้รับการพัฒนา เราไปนัดไปเน้นหนักพัฒนาเรื่องความคิดเรื่องการคิดเก่งคิดเร็วแต่ว่าสติเราไม่ได้พัฒนาตามไปด้วยนะมันก็เลยกลายเป็นรถที่มีความเร็วความแรงแต่ว่าเบรกอ่อนหรือว่าเบรกเสียสิ่งที่ต้องทําคือว่าทําสร้างเบรกให้ให้ดีหรือว่าซ่อมให้มันทํางานได้ฉับไวไอ้ที่คิดเก่งตัวคิดไปเถอะนะแต่ว่าให้มีสติ เข้ามาเป็นตัวเสริมเป็นตัวกำกับด้วยเอาละชาตินีเพิ่งเท่านี้นะกลับพระ